นั่นกันศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอ็มพี่สามแจกนาะเอาไปฟังเอาเพื่อการศึกษาแต่เอาไปไหนแม่เอาไปแขวนอะไรแมงวั้นหรือบ่นเอาไปแขวนไรแมงวันบ น, นบวัวใดแถวๆนี้คันผุดไ่้มีเครื่องฟัง่งอย่าไปเอาไปเน่ะคันผุดไอ้มีเครื่องฟัง่งอย่าคอยเอาไปนี่อย่าคอยมารับเอาไปหลวงพ่อเนี่ยบูรุษปีเนี่ย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 กตั้งแต่พันตรลับขึ้นไปราคาทีโถกเพราะนั้นจึงเหตุราคานั่นขามาแจกหลวงพ่อเองกขคิดว่าแจกขนมห่แจกยังสู่แจกธรรมะพได้เพราะว่าแจกธรรมานี่มันมดพ อ, อเป็นานว่าแจกเอมพี่สแจกขนมกินเม็ดแล้วแล้วไปคนน้ไปการว่าแจกเอ็มพี่สมน่มันมดเป็นอ่านฟังเขาไปแล้วก็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 ปฏิปัติตามรักธ้ำข้ามซ้อนที่เห้าได้ศึกษาได้อ่านเท่าก็สบายใจขึ้นมากกับมีหนทางทางออกหุจักทางออกก็ทำไปแต่หาวาเห้าเอาออได้อ่านบอได้ศึกษานี่มีแต่โมโหโก้ท่าชุนไปมากกันนั่นะเกิดเรื่องเกิดเล่าสิ่งที่บบพึ่งปราถนาเกิดขึ้นกับพวกเข้าทั้งหลายเพราะนั้นพวกเข้ามีกุญแฉไอ้มี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 สิฟังเพลงฟังล่ำก็ฟังไปมาหารก็เอาเปิดฟังเทศต่อไปต่อมาเนี่ยผมลงพอวันสิฟังเทศสิมากกว่าได้บาดเลยพอว่างแฟงเพลงฟังลัำก็ฟังไปมันลิกเอิเอิ้มเลเอิ้เอิ้นแค่ั้นแต่ฟังเทศฟังธรรมมีแนวความคิดเน่ยพวกเข้าเหตดจังไดปฏิบัติตนจังไรในการเป็นอยู่ในการทำมหาเลี้ยงชีพนีหละอย่างที่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 แต่ปัเด็นหลกดายอันาถามมรติกาเศรษฐีละ่ะกำลังเป็นนมพ่อเป็น น, นมขืนมาเนี่พ่อบอกจะไหนนี่ยพ่อบอกใส่ไปขวาพ่อบอกขวาไปใส่พ่อให้เดินหนาถอยหลังเน่ยเระ่องสั้นแหะให้ค่ายก็บบอกฟั่งความพอเลยว น, นไปพอนี่ยมัดเนี่ยสีเหาว น, นไปกั้นสิขาสิตีเลอก็จัดจังด่เนี่ยเปิก็เป็นหลูกเศรษฐีอีกต่างหากเพิลก็เป็นเศรษฐีใหญ่ในกรุงสาวัตถีอีกต่างหาก บ้านในพอนก็เลยเอ๊่สิเอาจังไดเนาะเอ่อกลุกผู้เอือนก็ดีมดคุ่คนแต่ไอ้เี่มจะไปในเป็นจังจี่ล้วั่นพอแม่พี่น้องจะไปสู่สวรรค์สันฝ่ามัดไม่แต่ปล่อยไอเดียวสิไปตกนรกเอเวจีมันสิแม่นบ่เฮาเนี่ยใส่ปะเกิดเคือนกันมันจักสิตเห็ดจังใดบานนี้ก็เลยมันบักนี่มันชอบเงินในบ้นมันสอบเทียวเออ พอได้เงินมาเลเรบโดไมจมนเที่ยวสก บ, บหัวละได้เงินมาซอบเงินบ้านนีเป็นว่ามันสอบเงินพอก็เลยบอกว่าไอ้ลูกไปไปรักษาศีลให้พอ่อทุพ่อสีจางเสียอเท่าได้ะเสียอัเทอร์ดละรักษาศีลเธอหนึ่งตแต่แกก็บอกว่าคนแล้วหาสบาทครับพอเออเอาหาสบบาทกับหาสบาทไปไปรักษาศีลเนา พอเจให้หาสิบาทรักษาศินแปดแปดคำหาสิบาทสิบคำหาสิบาทแปดคำหาสิบาทสิคำหาสิบาทนะ บ, บ้านนี้ก็ไปรักษาสิน้พอจ่างไปเลพ่อไปหอดเลก็เป็นนอนไปอยู่ในวัดผนลงไปไปสมมาท่านสินก็นอนแล้วเาไปว่าได้สนใจกขไปละพอนอนดเลยก็กลับมาหอดบ้านเลกพ่อพ อ, พ อ, พอผมมาเลยเี่เงือนเงิ่นมาเงินมา พอก็หายโหลดหา บ, บาทลงไปเตี้ยมไม่หาเลยเออบอลมียังบอลไปอยากได้บาาตอมาพอก็เลยบอกอีกได้ลูกเออบาทาให้ไปฟั่งเทศนะเออให้ไปฟั่งเทศเออพอพ่อใจเจ้าไปทอดฟั่งเทศทเที่ยงคืนนะเอาไลา่ไลกันแนละไปฟั่งเทศจนเพล่นเลิกหมดละนะเออแล้วพอจะให้อีกสเิเอาเท่าหรล่ะเออพอบอกว่าสิเอาเท่าใหรไปฟั่งเทศวัน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 บ่ยังเกาเริ่มแล้วกันแม่ยังเกาะน่กลับไปอีกไปฟังเอกพ่อไปฟังเอกฟังเอกพ่อเข้าใจอเอกเขาใจจำไรแล้วบา้านนี่ออกไมากเพราะสี่จำเพราะพระพุทธเจ้าบ่นบันดานให้เริ่มเอกลงไปเออไปก้ับก็บไปเอกไปบ้านนี่ตั้งใจฟังขักขนาบานนี้ว่าจะนบ้านนี่เอาจาให้มันได้มนน็นเหม็นบ้าดนี่ออกมาให้มันลแล้ว่วเดนเยอจำว่าไรนะว่าไรคื อ, คอจบมาบ่ ม, ม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 ดิบช่างดีปันนี่แต่มือีนวันเดยเออตะกอนมาหอดเป็นหาท่วงเงินลราเด้แตพอมาหอดพอะพอเหีนหนาก็ไม่หาท่วงเงินะพอก็ต้องควักให้เลยวันไปเออเพื่อบ่แห่นั้นแต่เมื่อไงก็เตรียมไว้ขึน้นแล้ววะเออพ่อมาหอดไอยนมนี่กะโอ้ยพอจะถามจะถามเอาเงินไหนต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยเถอนอยากให้พนวัญญเเเนเด้อออนมนี่ก็ได้ไปว่าอยากให้พ่อเบาไป เออท่านนี้ก็จัดการดูแลนั้ น, นจนเรียบลอยพทุทธเจ้าจะอ น, โโนุมโอทนาหรือก็ฉันนะ่ะเนี่ยฉันผู พ, นพ้อหรือโอ๊บอลล้นพ้นอะไรกันอกไปก็เ อ, อิดลูกว่าลูกลูกลู ก, กเออเป็นยังไงล่ะเออนี่เงินพอเตีย ม, มหายอยู่ได้เนี่ยพัศนีย์เอาจัศ น, นีย์ บ, บอเอาดอกพอพัศนีย์บอเอาเงินพอพัศ น, นีย์ผมบอเอาดอกครับัศนีเออห้อยเป็นยังว่าเอาลูกพัพอเตีย ม, มหาอ ย, ยู่ได้นี่ เ, เตียมให้ลูกอยพัศ น, นีย โอ้โอโอโลูกเป็นอย่งนัง้อันเดบตีแถวจไพระพุทธเจ้าบอกว่าอนาถามติกเศรษฐีลูกของชายของท่านนะ่ะเขาไม่รับหรอกโลกิยทรั พ, พเพราะเขาได้โลกุตระทรั พ, พแล้วนเนขาได้เป็นพระดดาบันแล้วเขาไม่สนใจหรอกโลกิยทรั พ, พนอนาถามติกาเศรษฐีก็สาธุันสาธุสาธุ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 หลานอนาถาบิดิกาเศรษฐีคือกันหลานักอนาถาบิดิกาเศรษฐี you you an curves. นี่ก็เมื่อเมื่อพอของอนาถาบิดิกาเศรษฐีมันเป็นเศรษฐีในกุงสาวัตถีเลยบัดละเพิ่งเลยพ่อเพิ่นตายบัดละเพิ่งจะแจกเงื่อนให้ให้ลูกของเพิ่นบัดละคนละสี่สโกดสีโกดสีิโกดมันไปอนาถาบิดิกาเศรษฐีก็ได้สีโกดพี่ชายเพื่อนเด็กสี่สิบโกด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 อนาถาบเปิกาเศรษฐีแล้วก็ก็หหามเลยว่านบอกเลยยานะวะท่านเนเออมึงจะไปเห็ุอีกนะมึงจะมาอีกนะถ้ามึงเป็นอีกมึงจะมาขออีกนะวะท่านบัตรอะไรก็ยังมาขออีกมาขอบาตนี่ยใสคือใสค่าเอาคือค่าแบบคนโบราณไม่กระโหลกไม่ไพ่มัดข้อแล้วก็ลากข้อออกไปเลยทำไปแบบว่าเยอะแยะเลยบัตเนี่ยผมถือว่าเป็นหลานเลยแหละมันเรลวขนาดนี้เพราว่สืบได้แล้ว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 พอมาหาแต่แกแต่แกกันล่มหลงไปคือเก่าแล้วนะไปพอดื่เหล้าเม้ายาโซล่าหน้าเละขอบมัดคือเก่ากับหมูพวกนั้ น, นไปเอาไปมากินเหล้าเม้าแล้วข้ น, นขีลขนขีเลาไปดูจักยังโมจักสูงโมจักต่ำโ ม, มจักเสียหายบมเสียหายบุญจักมันไปพ่อจากนั้นกันพ่อกินเหล้าเม้าขึ้นมากเลยโยมหมอเนี่นกัโยนขึ้นทั้งฝากกระับโยนขึ้นไปกระับโยนไปกระับคนทั้งไปเป็นของเล่นไปได้ปัน มาหาโยนอีบานนี่มอพัดตกหับว่ท่านสิแล้ขี่เหล่ามันตาไล่ได้มันบ่นนล่ะเอขี่เหล่ามันตาไล่โยนไปตอกพัดโป๊ดโดนใจพื้นดินหมอแตกอาญาเลยบา้านพ่อหมอแตกอาญะเท่า น, นั้นแหละมดบานนี่เจสีจกหาไผ่ลงไปสิจกหาเงินมันบ่ไรแล้วบา้านหมอแตกแล้วมูนอาญาแลา้วบ้านเพราะอีกนูก่ตั้งฝากเไม่แต่เบิ่งเงโอ้เจสีเลี่ยงจะไหนเลี่ยงคนเลวเนาะ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 หมอนั่นก็เลยจักระนั่นก็เลยทกจนคื้เก่าไปหาเป็นขอท่านคื้เก่านะนี่แหละวิญญาณอนาถามติกาเศรษฐีวิญญาณนี่นะ่ะเราเคยเลี้ยงมาแล้ววิญญาณโง่ถึงจะทำยังไงก็เอาตัวไม่รอดเพราะเหตุไรขนาดเราให้มอกสารพัดนึกก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะวิญญาณโง่เพราะนั้นเธอไม่ต้องเสียใจเป็นกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลาย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 ขั้นพ่อขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วก็ย้อนเมตตาซึ่งกันและกันนะอ น, นี้แหละการเป็นอยู่แล้วก็เมาพูดถึงมัวมัวพวกพระสงฆ์นองนุงทั้งหลายบานนี่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่เมื่อนอี่ก็ทราบสี่สิกวา่าองค์หลายสิบกวา่าวัดแล้วก็สองจังหวัดจังหวัดน้องข่ายจังหวัดบึงการที่มา คารวะหลวงพอ่อขึ้นไปหลงกาบหลวงพอ่อชาลีหลวงพอ่อบัตยบุลงมาหาหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อก็เออเอาลูกหลานในมาพบมาเจอกันแล้วก็หลวงพ่อจะไหนแนวให้แน่ความคิดเฮ้าเป็นลูกหลานของหลวงปู่มันเนอพระเนนลูกหลานทั้งหลายให้ถือว่าเราเนี่เป็นพวกเราเนี่เป็นลูกหลานของหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของเราคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นน่ยท่านอาจจะมีอาจารย์ของท่านเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นใครเพราะไม่มีการบันทึกไม่มีการบอกแต่ท่านต้องมีอาจารย์ของหลวงปู่เสาน่าต้องมีท่านต้องได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ของท่านแต่พวกเรานี่อยู่เกิดชุดท้ายภายหลังแต่เราพวกเรานี่พอหลวงปู่เสาล่วงลับดับขันไปหลวงปู่มั่นก็เป็น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 ท่านจะว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนะีอันนี้ให้พวกลูกคณะพวกลูกหลานทั้งหลายนะให้ความสําคัญเรื่องเรื่องของใจเถริ่ง เ, เห็นเห็นใจตัวเองเลยเถริ่ตัวนี้แหละพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปนรกหมกไหมไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันก็คือเนี่ยตัวผู้รู้คือใจตัวหลวงนี้แหละ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 เห็นได้ชัดเวลาหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4 5 6 7 8เจ็นับแต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดในขณะที่นับนะนับถึงร้อถ้ามันไม่เผลอแล้วก็กลับมานับ1นใหม่อีกแล้วก็นับไปถึงร้อหลวงพ่อว่าถ้านับถึงร้อยหลายๆครั้งแล้วก็เออยังค่อยมาพุทธโทวะจะอยู่นะจิตใจจะไม่เผลอนะ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 หลวงพ่อและครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อแนะนำท่านบอกว่าให้ชําแหละดูนะให้ชําแหละเป็นกองกองเกสาผมถอนผมไว้กองหนึ่งโลมาขนถอนขนไว้กองหนึ่งหน้าขาเล็บถอดเล็บไว้กองหนึ่งทันตาฟันถอดฟันไว้กองหนึ่งตะโจหนังชาแหละถลกหนังไว้กองหนึ่งมังสังเนื้อเอาเนื้อไว้กองหนึ่งเ อ, อเอ็นไว้กองหนึ่ง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 คือมันไหลไปช่องเดียวเดนะเจิตใจของเราไหลไปช่องเดียว เ, เราจะมองเห็นมักเห็นผลขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นเนะเ อ, อมันพลาดเนเมื่อกับเป็นคราวาสจะเป็นพระหรือจะเป็นอะไรดีถอยหน้าถอยหลังเมื่อกับคนขี้เล่าโยกซ้ายโยกขวาอย่างนั้นแนะ่ะแต่ถ้าว่าพวกเราจริงจังและจริงใจนะตัดสินใจพวกเลยเอาข้าพเจ้าจะเอาอย่างนี้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 หลวงพ่อมันมีอะไรอย่างพวกเราเห็นลูกหลานได้เห็นมีความทุกข์อะไรหลวงพ่อบอกได้เลยว่ามีความสุขอยู่ในจิตใจนะเมื่อเราเป็นนักพจนักบวชอย่างนี้นะและอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายเมื่อตัดสินใจเป็นนักพจนักบวชก็เป็นทำความดีด้วยนะไม่ใช่ว่าทำความเลวนะถ้าความเลวนะไม่ดีนะ่ะใจร้อนทำความไปความเลวความชั่วช้าเสียหายแต่ใจร้อนนะไม่ดี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 ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของพวกเราให้ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นให้มั่นคงคืออันนี้คือสายพระอระหันต์พูดง่ายง่าเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราให้มั่นใจในในแนวแถวปฏิปทาที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราศึกษาดยสิถ้าพวกเรายัางไม่มั่นใจก็ให้ศึกษาดูาหลวงพ่อเนี่ยว่า